อบรมขณะมมหลวงจิตตินพงศ์เมื่อวันที่5ธันวาคมปต2 5น8ณวัดป่าบันตาจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานักสัมปันโนเราได้เป็นชาติม น, นุษย์เป็นชาติที่สมบูรณ์แบบมีความรู้พอตัว กว่าบรรณาสัตว์ทเกิดนั้นร่วมโลกเดียวกันกับเราเพราะศาสนาก็ยวมถึงมนุษย์เป็นผู้รักษาพระศาสนาพัดเทียบคงเหมือนกังทางสีแ่แป้่งเราจะแยกไปทางตะวันตกก็ได้ทางตะวันออกก็ได้นะทางทิศใต้ที่เหนือได้ทั้งนั้น แล้วแต่ความต้องการของผู้ไปถึงทางสี่แยกกันแล้วจะแยกไปทางสายใดตามความต้องการของตน ม, มีความเปนมนุษย์ตรงอยู่ในจุดแห่งทางสี่แยกจะได้ภูมิต่ำภูมิสูงภูมิใดๆตรงไปได้จากความรู้ความเห็นความประพฤติของตนที่พาให้เป็นไป กำหนดที่จะเกิดในภพชาติต่างๆจากเป็นประเภทใดแห่งชาตนั้นๆไม่ใช่สิ่งที่ตรงภพป็นชาตปรากฏตัวขึ้นมันมานั้นตรงเครื่องมาสวมตัวของเราเพียงทีเดียวแต่เป็นร่งวงเพรา ใจขางเราผู้ได้รับการสั่งสมตนเองโดยทางต่างคือกรรมดีและกรรมชั่วเมื่อทำกรรมดีกรรมชั่วลงไปแล้วผลจะต้องปรากฏดูกลับไปคือฝังอยู่ในใจ่วงนั้นแม่ร่างกายจะสลายลงไปตามสภาพของเขาที่เป็นธาตุเดิมคือดินนาำลงไฟต่อไปซึ่งเป็นธาตุเดิมของตนที่มี สมของตันซุนหนึ่งสั่งสมไ่แล้วภายในตงอันนี้แหละจะพาให้เราตนไปในภพชาติต่างๆซึ่งมีประมาณไม่น้อยในโลกนี้การหลักการตนเขียตั้งแต่ต้นทางจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทและสมกับที่พระพุทธเ จ, จ้าตรัสว่า ติดโฉมมนุษย์สัติลาโทคความเป็นมนุษย์นี้เป็นของหาในอย่างการจะดำเนินตามทางของความเป็นมนุษย์ให้คงที่ในชาติต่อไปหรือให้ยิ่งกว่าภูมแห่งความเป็นมนุษย์นี่ก็ต้องคุณดูกับการอบรม ดับแปลงจิตใจในราษฎรมนุษย์จากนี้ไปแล้วจะเป็นเรื่องแห่งผลที่ตนทาในปัจจุบันซึ่งจะให้เราได้รับในพบในชาติต่อไปเรื่องของศาสนาจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อย สำหรับเราผู้มุ่งเข็นพิษทางเดินทพว่ความสุขความเจริญจะต้องอาศัยหลักศาสนาเป็นเครื่องดับแปงตนเองเพียงความรู้ความฉลาดของเราที่ตรงอยู่หรือโดยศึกษาวิชามาจากแขนงต่างๆมม่พอกับการดับแปงตนเองผู้มีความรู้วิชารวดผู้มีธรรมะ คู่เคียงกันไปด้วยเพื่อเป็นผู้ดังเนินตงรงไปในทางที่ถูกตาก้งนัความรู้วิชาที่เรียนมาโดยมากว่าเรียนออกเสมอมอได้เรียนมารืนอน้อมเข้ามาภายในตนแม้แต่ด้านธรรมะท้งความมุ่งต่อการศึกษาเรียนพวกอความรู้ความฉลาด จากการศึกษาเราเรียนแต่ในทั่วความรู้ความฉลาดที่จะปฏิบัติตรงให้ถูกทางนี้ก็มังจัดก็เป็นทางผิดได้ท่านเคยสอนสมอในครั้งพุทธกาลมีพรกทุกสุดทุกหนึ่งเรียนจบพระไรปุดกมีบริษัทบริวารถึงห้าร้อยเวลาข้าพ้าพระพุทธเจ้าแทนที่พระองค์จะ ทรงเสน่ห์ชมเชยว่าเป็นผู้ทรงความรู้ความฉลาดพระยังจบพระไตรปิฎกแต่กลับได้รับการตำหนิโดยปฎิยายว่าโตทิรัตแปลว่าไม่ลานเปล่าเรื่องเก่าเปล่าบวชมาเก่าเปล่าถึงกับ พระโปทิรัตซึ่งเป็นผู้มีมิสัยแห่งอาวัาตตภูมิสังอยู่ภายในใจแล้วโกรธความสะหลญสังเวชขึ้นในขณะที่พระองค์ท่านประทานอุบายนั้นท่าหมายของพระพุทธเจ้าที่เป็นเชิงตันฑ์เช่นนั้นเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่จะให้พระโปธิรัฐ ได้รับความ ส, สมรุปทั้งหมดและทาความรู้สึกตัวเวลาจะยูนก็นัดฟังว่าโปรทิรัตคืตว่ามาล้างเปล่าเธอจงยืนบาลางแป๋วเธอจงนั่งบาลา้างแป๋วเธอจงเต้ามีเอความสิ่งนั้นมาให้เราท่านบาลา้างแป๋วเธอจงออกสอกจากที่ีดังนี้เป็นต้เนเมื่อบวญ ชวาราคาของพระโพธิจารย์กลนายรู้สึกว่าบทความสะดุดใจและสังเวชตนขึ้นเป็นลำหนักฮอกกลับจากที่บ้าของพระพธิจา ร, ราาจย์ไถึงสถานที่อยู่ของตนอันเต็มไปด้ยบริษัทบริวารจํานวนเป็นล้านอยแล้วของตรียมเครื่องบริฐานในคืนวันนั้นแล้วขโมยออกในเวลากลางคืนโดยไม่ โดยสัตบริวารทราบแม่แต่รายเดียวแล้วไปสู่สำนักแห่งหนึ่งในสำนักนั้นล้วนแม่ตั้งแต่พระคุณาศพนักตั้งแต่ขรามหาเทระลงมาจนถึงสามนเนกเวลาไปก็ไปพบความเป็นอกจนใจอยากจะศึกษาอบรมทางด้านธรรมะปฏิบัติเมื่อไปถลา ย, ายตัวเป็นมูขสิทธิขมหากับขรมหาเทระท่านกร บอกวท่านไม่สามารถเพราะท่านที่มาก็เป็นอาจารย์แล้วท่านก็มากให้เป็นพภาระขังพระอนุเถระเป็นอันดับอันดับตาเตากองไหนก็ไม่กล้าดับจนกระทั่งถึงสามเลนน้อยเมื่อสามเน้นได้รับขังจากอาจารย์ที่สั่งคำชัดว่าให้ท่องสอนทดลองดูเท่านั้นเน้นก็เต็มใจสั่งสอนพระมหาเถระที่เรียน ตัระเรัเจ้าปีดกนั้นก็ทำตัวเหมือน ก, นกันกับสามะเนนตัวเล็กๆไม้จมีอากับเย็นยะแ่งครับเถระซึ่งสงมปัจเร้าปีดปรากฏอยู่ในอาการของกาวาใจาใจแน่แต่น้อยเนนก็ทำการทดลองทุกหน้าทุกมุม้นที่สุดให้คลองผ้าส้างสังคาติ ถ้าพายาบาดบ้งอะไรบ้างโดนเข้าหนามั้งลงลงน้ำบ้างเมื่อจะเข้าถึงขวากถึงหนาจริงๆก็ให้สั่งให้กลับมาจะ <s ett uk> ลงเวลาลงน้ําเมื่อท่ากระบองทีวันเสเกียรจริงๆก็ให้ขึ้นมาเห็นว่าคนพูดตั้งหน้าตั้งตาเชี่ยวชาญอารมจริงๆเน้นข้อแนะ น, น, นําสอนสอนเครื่องอายานะเป็น ค, อนนนคอรอบมาล่ามีการปวกแข็งหนึ่ง าำปลวกแห่งนั้นมีช่องอยู่ถึงหกช่องมีเฮียใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในจำปลวกและอาศัยช่องทั้งห้าทั้งหกนั้นเป็นทางเดินเข้าออกของเฮียใหญ่นั้นตลอดสับเวลาไม่ว่ากลางวันกลางคืนเมื่อท่านต้องการอยากจะจับเฮียใหญ่นั้นโตัวท่านหาอะไรมาตุกช่องทั้งห้าอันไว้ให้หมด แล้วปล่อยไว้ช่องเดียวท่านตรงทางความเข้าใจและมั่นใจคอยสอดส่องดูอยู่ในช่องนั้นท่านจะเห็นเนี้ยใหเนี้ยใหญ่ขึ้นมาทีน่ะแล้วท่านอาจจะจับเนี้ยใหญ่ได้เพราะไม่มีทางออกมีทางเฉพาะทางเดียวเท่านั้นพระมหาเถระซึ่งทําตัวเป็นสามเณรก็พออกพอใจปฏิบัติตามาตามสามเณรนึง อรหรอันต์รงนั้นจนเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจในด้านธรรมะเมื่อได้โอกาสตามเน้นก็พาพระมหาเถระองนั้นเข้าไปกราบทูลเรื่องราวความประพฤติของท่านแดกพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ท่านก่ประทางถมเทสนตเสริญแลแสดงเป็นบาดคาถาแต่นี้จะขอแปลเป็นภาษาไทยว่าปัญญา เ, เหมือนแผ่นดินย่อมเกิดขึ้นแา่บุคคลผู้มีความใคร่ควรหรือสนใจต่อปัญญาสมาธิคือความสงบใจทุกๆขั้นของสมาธิย่อมเกิดขึ้นจากผู้มีความเพียรเพื่อการดัแดแปลงจิตใจของตนให้อยู่ในเงื่อหมู่มีผูดด้ตรัสเมื่อพระมหาเทระได้สลับธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้น ก็มาตีความหมายถึงเรื่องของปัญญาและเรื่องของสมาธิซึ่งท่านก็ได้อบรมมาสมควรที่จะรับธรรมอันยิ่งจากพระโอษของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยได้ตรัสสรู้ขึ้นในขณะนั้นนามของท่านก็เลยมีสืบเมืองมาตั้งแต่บัดนั้นแม้จะเป็นพระหันเนกาตามก็ได้ชื่อว่าพระโพธิรัตแปลว่าผู้มีไมลานปล่าเรียนต่อไปมีหลักการเรียน การเรียนเพื่อปฏิบัติตัวเองนั้นไม่ว่าวิชาทางโลกไม่ว่าวิชาทางธรรมเป็นเรื่องความฉลาดที่จะนํามารักษาตัวได้ทั้งนั้นแต่เพราะใจของเราที่เคยได้สั่งสมตัวตามอําเภอใจมาเป็นเวลานานจึงไม่ค่อยจะคํานึงถึงหลักวิชาที่เรียนมาจากสถานที่ต่างๆหรือวิชาแขนงต่างๆมาปรับปรุงตนเองให้รับความสุข ความสะดวกความราบอบคอบความราบลื่นได้ผลเป็นที่พอใจไปตามหลักวิชาที่เรียนมาไม่ว่าวิชาทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นการเรียนมาเพื่อปฏิบัติตัวเองจากหลักวิชาต่างๆไม่ว่าทางโลกและทางธรรมนี้เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับผู้มีความต้องการจะนาเนินตนเองให้เป็นไปเพว่ความราบลื่น จะมองข้ามหลักวิชาที่ตนเรียนมาไม่ได้มีหละพระพุทธศาสนาทุกทุกแขนงเป็นหลักวิชาที่จะเรียนและจะนํามาปฏิบัติตัวเองให้รอบตัวในความเคลื่อนไหวหรือขาวความประพฤติของเราทั้งภายนอกและภายในใจภายนอกก็คือการกระทําการพูดจะพูดสิ่งใดจะทําสิ่งใด ต้องคำนึงถึงความได้เสียผลประโยชน์มากน้อยดีหรือชั่วผู้จะทำในกิจทุกอย่างต้องคำนึงเสมอริยาที่คำนึงเทียบเทียงเหตุผลได้หรือเสียนั้นนั่นเป็นเรื่องของหลักธรรมเฉพาะ อ, อย่างยิ่งภายในใจของเราซึ่งเต็มไปได้วยความอยากมีสิ่งภาคภูมิใจอยู่ตลอดเวลาแล้ว ยิ่งจำเป็นจะต้องอาศัยธรรมะเข้าไปเป็นเครื่องสนับสนุนช่วยกันกรองว่าความชิดประเภทไหนจะเป็นไปเพื่อความเสียหายความชิดประเภทใดที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญแก่ตนทั้งด้านทางโลกและทางธรรมต้องนำธรรมะเข้าไปพิสูจน์แก้ไขตนนั่นและจะเป็นไปเพื่อความเจริญผูอยู่ทางโลกก็สมภูมิที่ได้ศึกษาเรียนมา ปฏิบัติตัวไปด้วยความราบลื่นทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมไม่ว่าเรื่องดีเรื่องชัวง่วเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ประจาโลกผู้มีหลักวิชาและนำมาปฏิบัติต่อตอนเองย่อมลนรับความราบลืนไม่บอบช้ำเนื่องจากความราบครอบเพราหลักวิชาที่เรียนมานำมาปฏิบัติรักษาตนเองได้ผู้ปฏิบัติธรรมะภายในใจก่อ มีคติเช่นเดียวกันเพราะใจจะต้องมีทางเดินถึงหกช่องคำมาเฮียหมายถึงใจช่องทั้งห้าหมายถึงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเฮียให่ตัวนี้จะต้องออกเสมอออกไปเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสแล้วนำอารมณ์ที่ได้เคยสัมผัส ถ, ถูกต้อง จากตาหูจมูกบินกายนี้เข้ามาเป็นธรรมอารมณ์ก็ควรจิตใจของเราให้ได้รับความวุ่นวายเดือดร้อนดูภายในยการ ท, ที่ทำสอนว่าให้นั่งคอยจ้องมองดูช่องหนึ่งนั่นหมายถึงการพิจารณาเข้าไปสู่จิตที่เกี่ยวกับอารมณ์มีอารมณ์อะไรบ้างเวลานี้จิตของเรา บิด้องเราที่รับความรุ่มร้อนเป็นพระอะไรจรึงได้รับความรุ่มร้อนต้องมีสาเหตุเป็นที่รุ่มร้อนสาเหตุจริงเป็นที่รุ่มร้อนนั้นเราคิดมากคิดน้อยแล้วปรากฏผลขึ้นมาตามความคิดมากน้อยเราควรจะได้เห็นโทษของความคิดที่เป็นความผิดนั้นแล้วละนำความคิดนั้นไม่ให้สั่งสมตัวเองและไม่ส่งเสริมให้ความคิด ที่เป็นพิษนั้นมีกําลังมากขึ้นเพื่อรังควานแะสังหารตนเองนี่ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักวิธีปฏิบัติตนเองความคิดจะเกี่ยวกับมัตถุหรือเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับหญิงกับชายเกี่ยวกับเรื่องดีเรื่องชั่วเกี่ยวกับเรื่องรักเรื่องทังถ้าอารมณ์ใดจะเป็นไปเพื่อความผูกมัดหรือทําความขัดข้องตอ น, นเองเราไม่ต้องถือเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องดีเรื่องชั่วอันเป็นภายนอกนั้นว่าเป็นข้าศึก แต่เราควรถือเรื่องใจที่คิดออกไปนั้นว่าเป็นผู้ทําความผิดแก่ตนเองแล้วแก้จุดที่เป็นความผิดนี้เรื่องทั้งหลายจะระงับไปพระอิทธิรู้เรื่องของตัวเองว่าเป็นผู้ผิดทั้งจะมีทางแก้ไขตนเองต่อไปจนได้รับความสะดวกนี่ชื่อว่าผู้เรียนวิชาเพื่อรักษาตัวหลักธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เรียนเพื่อยอย่างอื่นเรียนมาเพื่อปฏิบัติตัวเอง ให้รับความปลอดภัยห่าปลื่นเย็นใจนีเป็นขั้นหนึ่งแห่งธรรมะได้ทั้งผู้อยู่ครอบครองเรือนจะนำมาปฏิบัติต่อตนเองได้ทั้งผู้มีความสนใจในด้านปฏิบัติจิตใจโดยเฉพาะได้ทั้งนักบวชผู้มุ่งต่อการปฏิบัติทางใจโดยเฉพาะ ต้องนำอุบายดังที่กล่าวมานี้มาปฏิบัติต่อตอนเองจิตที่จะให้เลื่อนลอยไปเฉยๆโดยไม่มีสิ่งส่งเสริมหรือผักดันออกไปนั้นจะเป็นไปไม่ได้และจิตจะย้อนตัวเข้ามาจากความผิดทั้งหลายนั้นจะเข้ามาโดยลำพังตนเองโดยไม่มีเครื่องบังคับให้ควรแก่เหตุผลเข้ามา กิจจะเข้ามาเป็นความสงบเย็นใจต่อตนเองเฉยๆย่อมเป็นไปไม่ได้ทางดีและทางชั่วย่อมมีสิ่งส่งเสริมพาให้เป็นไปถ้าไม่มีสิ่งส่งเสริมแล้วจะเป็นไปไม่ได้ผู้เรียนธรรมะต้องรู้จักทั้งทางส่งเสริมในทางดีและทางชั่วของตนทั้งวิธีจะระงับทางชั่วและส่งเสริมทางดีให้มีกําลังขึ้นเพื่อตนเอง นี่ชื่อว่าเป็นผู้เรียนเพื่อความรู้ความฉลาดปฏิต่อการปฏิบัติตัวเองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราหมายสิ่งอื่นว่าเป็นข้าสึกเป็นตนว่าหมายหญิงหมายชายหมาเสียงดีเสียงชั่วหม้าเสียงสนับสนุนหมายเสียงนินทาเป็นข้าสึกเราจะระงับข้าสึกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตลอดกาลเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ ลอดเวลาแต่ต้องห้ามหรือแต่ต้องรู้จักสาเหตุของผู้จะไปเกี่ยวข้องและทำความผิดเดือดร้อนขึ้นแก่ตัวเองคือเรื่องของใจนี่เป็นหนักสำคัญความชนเสริญไม่มีความหมายอะไรเป็นเสียงเหมือนกับเสียงลมแต่เราไปตีความหมายเอว่าเขาชนะเสริญเราเขาหนินทาเรา เรืเขาเกลียดชางเราเขาดูถูกเหลียดย้ำเราความหมายของใจตากฏขึ้นเช่นนี้จากตัวเองแล้วตัวเองก็เกิดความเดือดร้อนและน้อยเนื้อต่าใจนี่กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะความหมายของตนเองเป็นเครื่องทำลายตัวเองผู้ปฏิปัติบัตธรรมจึงต้องรู้สาเหตุที่เกิดขึ้นแห่งเหตุดีและชั่วและปฏิบัติต่อสิ่งทั้งสองคือดีและชั่วนั้นไปตามหลักธรรมะ จะได้รับผลประโยชน์ทั้งการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ผิดก็จะเป็นผลประจักษ์ขึ้นที่ใจทั้งการส่งเสริมจิตใจในด้านที่ถูกก็จะมีกำลังขึ้นเป็นลำดับปรากฏเป็นผลประจักษ์ใจเช่นเดียวกันนี่หลักศาสนาท่านสอนให้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นศาสนาจริงไม่เป็นค่าศึกต่อโลกไม่เป็นค่าศึกต่อผู้ใด แต่เป็นคุณสมบัติอันยิ่งสำหรับผู้มีความสนใจต่อาศาสนามีความสนใจต่อาศาสนากับความสนใจต่อตนเองนั้นให้มีน้ำหนักเท่ากันาศาสนากับตัวเองจะเป็นเรื่องอันเดียวกันความปลอดภัยความสะดวกความสบายความเจริญรุ่งเรืองตนกับาศาสนาจะเป็นเรื่องอันเดียวกันคนที่มีาศาสนาเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรือง คนที่ไม่มีศาสนาคือไม่สนใจต่อการปฏิบัติต่อตอนเองโดยถูกต้องนั่นเป็นผู้เดือดร้อนนี่เราทุกท่านเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาควรจะรู้เรื่องว่าศาสนาคืออะไรตัวของเรามีความเกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างไรบ้างเรื่องความเกี่ยวข้องของเราที่มีกับศาสนานั้นสำคัญที่การกระทำ ไอ้เรื่องที่เราจะต้องกระทำมันมีสาเหตุจำเป็นที่จะต้องทำดีก็ต้องได้ทำชั่วต้องได้ทำเพราะสาเหตุมีเป็นเครื่องบงองังคับแต่การทำเราต้องเลือกเฟ้นนี่เป็นหลักของศาสนาเข้ามา แ, แทรกนาทีถ้าไม่เลือกเฟ้นแล้วผลจะเป็นของเราในทางที่ไม่ดีมีอธิบายถึงเรื่องศาสนากับเราว่ามีความจำเป็นต่อกันอย่างไรบ้างพอให้ได้ทราบเป็นแนวทาง และจะได้ปฏิบัติต่อตัวเองระหว่างศาสนากับเราเพื่อผลประโยชน์จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวเองเป็นลำดับนี่พูดถึงอิจดโดยเฉพาะดังที่กล่าวเกี่ยวกับจาปลวกนั้นเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันอารมณ์มีส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียด แม้จะออกจากทางตาหจูจมูกลิ้นกายใจอันเดียวกันก็ตามแต่แต่เพราะใจมีความละเอียดเป็นลำดับสิ่งที่เครือบแฝงอยู่กับใจก็ต้องมีความละเอียดไปตามกันสติปัญญาที่ได้รับการสั่งสมอบรมอยู่เสมอก็ต้องมีความละเอียดไปตามตามกันแต่สรุปความแล้วก็เพื่อให้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นจากใจของตัวเอง คนไม่รู้เรื่องผู้ปฏิบัติไม่รู้ไม่รู้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นจากใจย่อมไม่รู้จักวิธีปฏิบัติไม่รู้วิธีแก้ไขเรียกว่าเดินทางจนกรอกหาทางไปไม่ได้ติดจมอยู่ในที่นัน้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างท่านเรียกว่าเรื่องทางนั้นทำที่ละเอียดสุดดีท่านก็เรียกว่าเรื่องชั่วก็เรียกว่าเรื่อง ชติปัญญาต้องตามรู้ให้ทันกับเรื่องสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นภายในใจทั้งดีและชั่วให้ทราบว่าเป็นสิ่งที่จะสัมผัสกันในระหว่างทางต้องเดินไปตามสิ่งดีและชั่วที่มาปรากฏพิจารณานไปตามสายแห่งความดีความชั่วที่มีอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นมาให้เรารู้ไม่ต้องทําความดีใจเสียใจกับสิ่งที่ปรากฏเพราะสิ่งที่มาปรากฏเป็นสภาพธรรมนหนึ่ง ผู้ที่รู้เห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งผู้จะทําความรอบขอบและปฏิบัติต่อสภาพที่ปรากฏนั้นโดยถูกต้องนั่นเป็นเรื่องของปัญญาก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเราต้องทราบทั้งสิ่งที่ปรากฏอันเป็นทางจะเดินไปผ่านไปที่นั้นแต่รู้จักทั้งตัวของเราผู้จะเดินไปที่นั้นและรู้จักทั้งวิธีที่จะปฏิบัติต่อตอนเองตามทางสายที่เราผ่านไปนั่นคือเรื่องของปัญญาคำสุดท้าย มีวิธีปฏิบัติใจเพื่อความราบเรื่นต่อตอนเองเป็นลําดับจะไม่เป็นรุ่มรุ่มดอนดอนเพราะสิ่งที่มาสัมผัสเนื่องจากเราทราบว่าสิ่งที่มาสัมผัสคือเรื่องทำเตือนใจให้สติปัญญาเกิดขึ้นแล้วทําการพิดนิพพิจารณากันผ่านไปได้เป็นลําดับลำดับไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏแล้วเป็นทางเดินของจิตทางนั้น จิตยังไม่เดินสุดจิดสุดแดนเมื่อไรจะต้องมีสิ่งที่ปรากฏผ่านกันไปผ่านกันมาผู้มีปัญญาต้องพิจารณาตามตามสิ่งที่มาผ่านโดยไม่ถือว่านี่เป็นเรานี้เป็นของเราได้ไม่ดีใจเสียก็ไม่เสียใจดีก็ไม่ดีใจชั่วปรากฏขึ้นมาก็ไม่ดีใจไม่แสดงความดีใจเสียใจแต่เป็นหน้าที่จะพิจารณาให้รู้ชัดด้วยกันทั้งดีและชั่วทั้งหยากทั้งละเอียด ทั้ความสุขความทุกข์ที่ฝังอยู่กับภายในใจของตนที่ยังแก้กันไม่ออกคําว่าสุขทุกข์ที่ฝังอยู่ภายใน ใ, นใจนี้หมายถึงเรื่องสุขทุกข์ที่เป็นไปในวะตะัตถะไม่ได้หมายถึงประมังสุขขังดังที่ท่านกลัดไว้อันนั้นไม่ใช่สุขที่เสกสรรไม่ได้สุขที่มีสิ่งปัจจัยหนุนขึ้นมาให้เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นเราไม่ต้องกล่าวถึงกล่าวถึงความสุขความทุกข์ที่มีเหตุปัจจัยหนุน มีการพิจารณาก็ต้องพิจารณาถึงเหตุปัดใจให้เกิดความสุขความทุกข์ด้วยพิจารณาลงไปจุดของทุกข์ให้ทราบชัดว่านีน่คือทางเดินหรือนี่คือสนามรบปัญญาไม่รู้เรื่องของสุขของทุกข์จะชื่อว่าเป็นผู้รอบคอบในสุขและทุกข์อันเป็นเรื่องของโลกได้อย่างไรปัญญาต้องเรียนให้ให้จบเรื่องสุขก็เรียนให้จบทุกข์ก็เรียนให้จบ สุกเกิดขึ้นมาจะเป็นขั้นไหนสุกก็ต้องหนับทุกเกิดขึ้นมาขั้นไหนก็ขั้นไหนก็ต้องหนับอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวขึ้นมาจากเกิดขึ้นมาจากใจเป็นเรื่องที่จะดับไปด้วยกันทางนั้นไหนตัวไหนที่จะเป็นเป็นอัตราของเรามีแต่สิ่งที่ผ่านไปผ่านมาอยู่เท่านั้นเหมือนกันกับสิ่งภายนอกเป็นแต่เพียงว่ามีความละเอียดต่างกันไปบ้างเท่านั้นปัญญาต้องยังทราบเข้าไปตลอดสายไม่ทําความติดจม ไม่ทำความไว้วางใจไม่ทำความดีใจเสียใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาวันนี้ได้มากวันนั้นได้น้อยเป็นการเดินทางการนั้นการเดินทางเราไม่ได้กรอบโพยอา้อนทางไปการได้มากได้น้อยนั่นเป็นทางการเดินทางเหมือนกับวันนี้เดินได้มากวันนั้นเดินได้น้อยถึงจะเดินได้มากได้น้อยเราก็ไม่ได้กรอบโพยอ้อนทางที่เดินอ่นั้นไปด้วยแต่เรื่องความฉลาดที่เราจะทราบตามวาระทาง ได้แก่สิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับใจนั้นเป็นเรื่องความปันของปัญญาอันนี้เป็นเป็นเครื่องแนบสนิท ก, กับใจอย่าได้ปล่อยว่าจนหาที่อะไรจะมาสัมผัสปัญญาไม่ได้มาสัมผัสจิตไม่ได้ขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วนั่นจึงจะเป็นผู้เดินจุดจุดหมายปลายทางจะไม่มีเรื่องคําว่าได้ว่าเสียจะไม่มีเรื่องคําว่าดีว่าชั่วจะไม่มีเรื่องคําว่าเราว่าเขา จะไม่มีเรื่องคำว่าแพ้วาชนะฝังอยู่ภายในใจนั่นเลยนั่นคือว่าใจเป็นผู้หมดเรื่องหมดอย่างนี้ก่อนจะหมดเรื่องก็ต้องพิจารณาไปทานองที่ว่านี้ไม่สนใจกับสิ่งใดที่จะถือว่าเป็นความนอนใจหริอถือเป็นตนแม้จะเป็นส่วนละเอียดก็ไม่ใช่ตนเป็นเรื่องอนัตตาธรรมทั้งนั้นนั่นเพราะฉะนั้นธรรมะอนัตตาจริงเป็นธรรม เรียกว่ายอดทำสิ่งที่เป็นชิ้นเป็นอันปรากฏอยู่ภายในใจแม้ละเอียดสุดถ้าไม่มีอนัตตาทมเข้าไปทํำลายแล้วอันนั้นจะเป็นตัวขึ้นมาแล้วเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นพบเป็นชาติขึ้นมาโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญากับอนัตตาจึงฟั่นเป็นฟันเป็นเปียวเดียวกันเข้าไปแทรกเข้าไปจนไม่มีอะไรเหลือคำว่าเป็นอัตาอยู่ภายในใจนั่นเลย นั่นจะเป็ น, ช, ป น, น, นชื่อว่าเป็นผู้รอบคอบในการเดินทางชื่อว่าเป็นผู้รอบคอบต่อเรื่องของตัวเองคือต่อเรื่องที่ที่มาเกี่ยวข้องกับตัวเองและต่อเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะซึ่งฝังอยู่ภายในใจนั้นไม่เช่นนั้นจะไปไม่ได้นี่หมายถึงปัญญาขั้นละเอียดจิตกับกิเลสขั้นละเอียดหือว่าสมมติขั้นละเอียดอัตตาขั้นละเอียดอัตตาหมายถึงเครื่องถูกมัดนั่นเอง เราไม่ต้องว่าเป็นอัตตาพนิพันธที่ไหนกันอัตตาที่กล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเสศสันต์คลองใจที่จะยึดมั่นถือมั่นทําความพัวพันุ์หรือทําตนให้ติดฉะนั้นจึงต้องอาศัยอนัตตาเข้าไปทําลายอัตตาจะสูญไปได้เพราะอํานาจของอัตตาเข้าถึงตัวจุดไหนเข้าใจว่าเป็นตนตุดนั้นอนาัตตาจะเข้าไม่ถึงและนอนใจไปจมอยู่ในที่นั้นไปไม่รอดอัตตานั้นแหลกคือตัววัตถะ เมื่อปัญญาเนี่ับธรรมอนัตตาได้เข้าถึงจุดนั่นแล้วจะไม่มีอันใดตั้งอยู่สลายตัวไปโดยประการทั้งปวงนั่นเป็นแดนแห่งความ้นส ม, มุติทั้งๆ ท, ท, ที่มีสมมติอยู่รอบตัวคือธาตุก็มีก็เป็นสมมติขันก็เป็นสมมติแต่ธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมติหากอาศัยกันอยู่ชั่วระยะการที่ครองตัวอยู่เท่านั้นปัจจุบันก็ไม่ได้แทรกซึมถึงกัน เมื่อดับไปแล้วจะ ก, กลายเป็นผู้สศรมองแล้วก่อพบข้อชาติมาจากที่ไหนจะไม่มีพบชาติใดๆกําเนิดใดๆหรือว่าทุกใดๆเข้าถึงธรรมชาติที่ทําลายอัตตาอันเป็นตัวสมมุตินั้นใดเลยนี่เป็นทำหมดปัญหาสําหรับท่านผู้บําเพ็ญธรรมภายในใจโดยเฉพาะจะต้องเห็นประจักษ์ใจอย่างนี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะคําว่าสวดขาแธรรมจัดไว้ชอบอย่างยิ่งไม่มีอันใดที่จะเป็นข้อคัดค้านหรือขัดแย้งในขัดแย้งใดเลย เรื่องขัดแย้งเป็นเรื่องของความรู้ความเห็นของเราที่เป็นไปกับกิเลสมันจึงเป็นเหตุให้ขัดแย้งธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วกลายเป็นควาความทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นตามหลักสวขาตธรรมตั้งใจหยาบจนถึงขั้นละเอียดสูงสุดแล้วจะปรากฏเป็นนิพพานขึ้นมาภายในใจโดยไม่ต้องสงสัยชื่อว่าตามเสดพระพุทธเจ้าด้วยสวขาตธรรมการปฏิบัติชอบตามธรรมที่พระพุทธเจ้าจรัสไว้ชอบแล้วด้วยชื่อว่าเป็นนิยานิกรธรรม ทาตนของตนให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยหลักของส่วขาธ ร, รรมก็จักกลับใจด้วยเมื่อกล่าวมาถึงทาคันนี้แล้วพวกแสดงก็รู้สึกจะหมดสติปัญญาจะ ก, ก้าธรรมะเลยเหตุนี้ไปไม่ได้ท่า น, นจริงขอบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย ได้ทำความสนใจในระหว่างทำกับเราให้เข้ากลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเราฉันใดศาสนาคือธรรมะให้เห็นเป็นฉันนั้นเราผิดก็คือผิดจากธรรมถูกก็คือถูกตามธรรมผลจะเป็นความพอใจสำหรับเรานี่เป็นหนักที่เราจะควรปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถของเราผลสุดท้ายก็ จะเป็นผู้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อย่างสมบังจริงของยุติธรรมเทศนาเพียรทน